่อปัญญาอนันทะเนี่นถือว่าท่านเป็นพระดีพระแท้รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีแต่ให้และท่านสอนสัจธรรมพระดีพระแท้ต้องสอนสัจธรรมสัจธรรมนั้น ก็ว่า เ, วเรื่องของความทุกข์แล้วก็วิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และสามารถเผยแผ่แนะนําญาติธรรมผู้ที่เข้ามาศรัทธามีวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ด้วยตนเองอันนี้ถือว่าเป็นที่เราเรียกว่าพระดีพระแท้ ผมรู้จักหลวงพ่อปัญญานันทะครั้งแรกจากรายการวิทยุป ร, ระมาณพศ2523ได้ฟังปาตักระทธรรมของท่านในวันอาทิตย์ทุกต้นเดือนทุกต้นเดือนของวันอาทิตย์เนี่ยเวลา8โมงเช้าถึง8โมงครึ่ง จากรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ผมฟังเป็นประจาถ้าเป็นการฟังเทศครั้งแรกก็ได้เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ย <c oughs> ผมต้องการหาที่พึ่งทางใจเพราะว่ามีความทุกข์มากทุกข์เพราะกายพิการแล้วก็ทุกข์เพราะจิตที่มันคิดฟุ้งซ่าน จิตใจที่คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเพราะว่าขาดที่พึ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจจิตไม่มีเครื่องอยู่จึงฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์อดีตอนาคตการฟังธรรมะเนี่ยช่วยเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวได้นั่นคือที่พึ่งภายในจิตใจครั้งแรกที่ผม ได้ฟังจากหลวงพ่อปัญญาลันทะที่จริงมันก็ดีเหมือนกันนะคนเราเนี่ยถาาว่าเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจถ้าเราหันเหชีวิตมาสนใจการฟังธรรมะเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาจิตใจเราได้มันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีเครื่องอยู่ เครื่องอยู่เครื่องอาศัยถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันก็จะหลงคิดปรุงแต่งไปสลัพัดอย่างนําพาความทุกข์มาสู่จิตใจเรามากธรรมะเพียงได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยหรว่าจิตเป็นบุญก็ได้นั่นแหละเป็นเรื่องเดียวกัน คนเรามีเครื่องอยู่หลายแบบการดูหนัง <_ d ose> ฟังเ <_ d ose> พลงเ <_ d ose> ที่ยวอันนั้นคือเครื่องอยู่เหมือนกันการทํางานก็เป็นเครื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลหรอกส่วนมากจะเป็นบาปอกุศลซะมากกว่าแต่การได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลทําให้เกิดสติเนี่ยการฟังทําให้เกิดสตินะเห็นไหมญาติธรรมกาลังฟังเนี่ยสติเกิดแล้ว เกิดสติเกิดสมาธิติดตั้งมั่นอยู่กับการฟังแล้วก็เกิดปัญญาด้วยรู้จักวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้จิตใจเนี่ยผ่อนคลายลืมความทุกข์ไปเลยขณะฟังธรรมเนี่ยเราอาจจะมีนิสินมากมายแต่เราไม่เคยไปคิดถึงนิสินเลยเพราะจิตอยู่กันเนื้อกับตัวมีเครื่องอยู่คือการฟังธรรมนี่คืออนิสงส์น่าสบายใจแล้ว บางทีฟังธรรมเกิดความสงบนะเกิดปิติบางทีเคลิ้มหลับไปเลยมันก็ดีนะนะอยู่บ้านไม่ค่อยหลับฟังธรรมแล้วหลับก็สบายดีนะเนะี่ยผมก็ได้บุญด้วยนะช่วยทาให้เขาหลับได้สบายนะอันนี้มันผ่อนคลายผมก็เคยรับอ น, นิษฐสงตรงนี้มาก่อนฟังธรรมแล้วแม้ว่าเราจะ เป็นผู้ใหม่ในการฟังแต่ฟังแล้วมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งธรรมะช่วยหล่อเลี้ยง จ, จิตใจฟังธรรมมีแต่ได้ไม่มีเสียนี่หละผมรู้จักท่านครั้งแรกจากฟังรายการวิทิยุเนี่ยหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ฟังเป็นประจำเพราะหลวงพ่อปัญญาท่านแสดงธรรมะเป็นลําดับขั้นตั้งแต่ง่ายไปหายากเป็นลําดับ เข้าใจง่ายนั่นเป็นต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนพอันอาทย์กลางเดือนเราก็โดยฟังต่อจากท่านอาจารย์พุทธทาสจากสวนโมกท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงธรรมที่ลึกซึ้งมากไปทำที่ลึกเกี่ยวกับเรื่องโลกุตรธรรมเรื่องเหนือโลกเรื่องสุญญาตาเรื่องความว่าง บางทีฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฟังบ่อยๆเข้าทำให้เราเข้าใจได้ปูพื้นฐานจากการฟังของหลวงพ่อปัญญาอนันทะซึ่งง่ายแล้วก็มาต่อยอด <c oughs> กับวิธีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งของท่านจาร์พุทธทาสมันก็นำพาไปสู่ความดับทุกข์ได้แล้วช่วงปลายเดือนทุกต้นเดืนอนเข้ามาอาทิตย์เนี่ย แล้วก็กลางเดือนปลาเดือนก็ฟังธรรมะตลอดมันก็หล่อเลี้ยงจิตใจเราให้เป็นบุญเป็นกุศลได้มันก็มีความสุขกับการฟังคําเทศของหลวงพ่อปัญญาเนี่ยประทับใจหลายอย่างอย่างแรกก็คือท่านเทศเหมือนพ่อสอนลูกให้ลูกดีเป็นพ่อสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีโดยเฉพาะสอนเรื่องการไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายามุข เรื่องการดื่มสุราเล่นการพนันหรือคบคนชั่วซึ่งพมอ่านประวัติท่านแล้วท่านต่อต้านมากเรื่องดื่มสุราท่านเองก็ลองดื่มสมัยที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ปฏิเสธว่ามันไม่ประโยชน์เลยนะท่านก็เลยเลิกแล้วก็ต่อต้านมาอยู่เรื่อยๆและเรื่องการพนัน ท่านก็ไม่ไม่สนับสนุนแล้วสิ่งที่ท่านยึดติดเป็นประจำก็คือท่านไม่ชอบเรื่องความรุนแรงไม่ชอบเรื่องการขัดแยง้งมีการทะเลาะวิวาทกันที่ไหนท่านจะไม่อยู่ตอนสมั ย, มยท่านเป็นเด็กนะท่านก็จะแยกตัวออกไปไม่เกี่ยวข้องไม่ต่อไปกอมอบกอแมปอะไรที่ไหนแนละ้วท่านไม่ชอบเรื่องความขัดแยง้งเรื่องความรุนแรงเ น, นี่ยอันเนี้ย เป็นเป็นสิ่งที่ท่านปูพื้นฐานแล้วสิ่งที่ผมเข้าใจที่สุดก็คือท่านจะชักนำให้คนเราเนี่ยออกจากศยศาสตร์ไม่ให้หลงงมงายในศยศาสตร์เพราะศยศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังหลับไหลยังไม่ตื่นศยศาสตร์มุ่งให้เชื่อบอกให้เชื่อสอนให้เชื่อแล้วก็สอนให้พึ่งแต่ผู้อื่น พึ่งแต่ภายนอกไม่เหมือนพุทธศาสตร์พุทธศาสนาในสอนให้พึ่งตนเองชอบใจตอนที่ให้พึ่งตนเองแม้แต่การฟังอาจจะพึ่งการฟังเพื่อจะมาครุ่นคิดแล้วก็พึ่งตนเองเอามาปฏิบัติสิ่งนี้ทำให้ เราเกิดความประทับใจว่าท่านสอนเหมือนอย่างกับพ่อสอนลูกให้ลูกดีจวกทั้งได้พบกับท่านครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณปีปศ2547เจอตั้งครั้งสุดท้ายท่านได้รับนิมนต์ไปเทศที่สวนหลวงหลอเก้าในงานธรรมะในสวนผมก็ ไปนั่งฟังอยู่ด้วยฟังอยู่ข้างๆเวทีท่านเทศเสร็จท่านก็เดินตรงมาที่หะที่ผมแล้วก็มองอยู่ที่อตรงกระเป๋าเสื้อที่เขียนว่าชมลมเพื่อนคุณธรรมนท่านยืนดูนะอายุเก้าสิบกว่านะแต่ท่านอ่านออกว่าชมลมเพื่อนคุณธรรมแเราบอกว่าชื่อนี้ดีมีความหมายดีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้พบกับท่านจนกทั่ท่านมรณภาพนั่นเป็นสิ่งที่ช่วงระเวลาสั้นๆที่ได้ฟังแล้วก็ได้เห็นท่านเนี่ยอย่างวันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าทําไมเราจรึงมีโอกาสได้มาพูดธรรมะในงานหนึ่งร้อยปีชาติกาลของท่านเหมือนท่านบอกให้เรามาพูดกันมันต้นองบ่อยเรามาพูดในวันนี้นะ เรื่องห้าดีนี้มีในตนเป็นมรดกของท่านห้าดีนี้มีในตนเมื่อวานก็คงจะฟังกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็คงได้ยินไปบ้างแล้วเดี๋วัดดีที่หนึ่งก็คือการคิดดีดีที่สองคือพูดดีดีที่สามก็คือการทำดีดีที่สี่คือการคบเพื่อนดี ดีที่ห้าคือไปสู่สถานที่ดีรวมเป็นห้าดีนะจำไว้นะ อ, ออกข้อสอบผ้าดีนี้คืออะไรนะอย่ามัวฟังเพืนเล่นนะหนูห น, หนูห้าดีเนี่ยคิดดีเนี่ยก็คือคิดที่จะออกจากกรามคุณนะออกจาก ความยึดมั่นถือมั่นยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสคิดที่จะไม่พยาบาทปลองร้ายคิดจะไม่เบียดเบียนเป็นการคิดดีพูดดีก็คือพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดจริงคือพูดคำสัตย์คำจริงไม่โกพูดดีคือพูดให้ไพเราะอ่อนหวาน พูดมีประโยชน์คือพูดสมานสามคัคคีไม่ได้พูดแล้วแตกแยกกันพูดถูกกาลาเทศะถึงคราวพูดก็ควรพูดถึงคราวเงียบก็ควรเงียบเนี่ยเนี่อยอตอนเนี้ยถูกกาลเทศะมากเลยให้ผมพูดแล้วทุกคนเงียบออเนียันนี้คือพูดดีทําดี คือทําในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองและพื่ให้เดือดร้อนด้วยแต่การทานเราก็ตามทําเพื่อเกื้อกูลบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมีน้ําใจมีให้อภัยมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยถือว่าเป็นการทําความดีซึ่งกว้างมาก เพื่อนดีก็คือครบบัณฑิตคบกัลยาณมิตรไม่คบคนพาลไปสู่สถานที่ดีก็คือสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือไปแล้วทําให้เราต้องเสื่อมเสียเสียความรู้สึกตัวไปที่ไหนก็ตามถ้าไปแล้วทําให้เราเสียความรู้สึกตัวเสียความรู้สึกตัว มันมีผลทําให้เราเสียตัวได้ก็อย่าไปนะใช่ไหมที่ไหนก็ตามไปแล้วทําให้เราเสียความรู้ตัวคือลืมเนื้อลืมตัวนั่นอันนั้นไม่ใช่สารที่ดีแล้วอาจจะเป็นความเห็นที่แปลกกับเขาหน่อยในจานวนห้าดีเนี่ยย่าได้ทำว่าดีไหนที่ทํายากที่สุด คิดดีพูดดีทําดีคบเพื่อนดีไปสู่สถานที่ดีดีไหนที่ทํายากที่สุดนะตอบแล้วนะทุกคนมีคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในความเอาของผมดีกว่าเพราะไม่เหมือนใครก็ไม่มีใครว่าอะไรนะ ของผมนี่คิดดีในยากที่สุดเลยนะบอกตรงๆลําพังแค่พูดดีทําดีเนี่ยไม่ยากหรอกเรามีสินห้าเรามีสินห้าเนี่ยก็พูดดีทําดีได้แล้วอันนี้ไม่ได้พูดสมัยนี้นะสมัยก่อนนู้นก่อนที่เริ่มฝึกฝนปฏิบัติทําใหม่คิดดีนี่ยาก มีสินห้าพูดดีเนี่ยไม่ยากละมีสินห้าแล้วก็มีการกระทําดีไม่ร่วงเกินใครทางกายวาจาใจเนี่ยทาได้แค่สินห้ากายวาจาก็บริสุทธิ์ละแล้วก็ผมอยู่กับพ่อกับแม่สมัยก่อนการครบเพื่อนดีนี่ไม่ยากอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนไม่ดีให้มันรู้ไป แล้วอยู่ที่บ้านด้วยบ้านของเราดีเนี่ยยังไงก็คือสถานที่ดีสำหรับเราแหละปลอดภัยไปแต่คิดดีเนี่ยมันยากมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันคิดดีไม่ได้เพราะใจเนี่ยกําลังถูกความทุกข์บีบคั้นคิดทีไรและเศร้าหมองทุกทีถ้าคิดดีมันต้องมีความสุขต้องมีความสงบแต่ผมมันมันมีความทุกข์บีบคั้นอะ่ะคิดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมดีมอง ชีวิตไปในแง่ลบมีมุมมองชีวิตที่ไม่ดียอมรับความจริงว่าสมัยก่อนเนี่ยความคิดที่ไม่ดีคือมีความเศ่อห ม, มองไม่ได้คิดทำร้ายใครไม่ได้คิดเบียดเบียนใครแต่ว่าทำร้ายจิตใจตัวเองถ้าคิดแล้วทำร้ายจิตใจตัวเองให้เป็นทุกข์เนี่ยจะเรียกว่าคิดดีได้อย่างไร hmm. เพราะอะไรถึงจะคิดไม่ดีก็เพราะใจมันไม่ดี ใจไม่ดีมันความคิดก็ไม่ดีนะการกระทําออกมามันก็ไม่ดีเหมือนกัน เ, ออเพราะฉะนั้นในจำนวนห้าดีนี่ถ้าใจสมบูรณ์นะมันต้องเริ่มต้นด้วยใจดีก่อนออถ้าใจไม่ดีดีห้าดีนี่มันก็ไม่ครบนะต้องใจดีถ้าใจดีมันก็คิดดีอะ การกระทออกมาก็ดีทำไมใจจึงจะดีได้ใครตอบได้ให้ไปสวรรค์ทำยังไงใจลึกจะดีะดีเสียงแว้วๆแล้ ว, ลวถ้าใช่ใจดีเนี่ยต้องสติดีก่อนใช่หมสติเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นกุศล สติดีแล้วจิตก็เป็นกุศลเพราะสติมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่จิตอ่ะอยากให้ใจดีต้องมีสติดีสติดีเนี่ยก็คือกุศลในจิตใจเรานี่เองทำไงสติจึงจะดีก็ต้องเจริญสติขึ้นมาดิทำให้สติมันมากขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกคน เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่ามันยังไม่พัฒนามันยังไม่ตื่นต้องมีการเจริญสติขึ้นมาสติเป็นธรรมะที่เป็นกุศลบางคนก็สงสัยว่าสติทำให้ใจเป็นกุศลได้อย่างไรอ่ะพิสูจน์กันหน่อยนะให้เป็นสัตติโกเลยพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังไหนะลองเอานิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มืออยู่ในข้างเดียวกันนะ่ะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยวางไว้ที่ขาลองลองสัมผัสนิ้วมือเบาๆ เ, เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือสัมผัสกันเบาๆสิทําความรู้สึกตัวมีสติ อยู่กับการสัมผัสของนิ้วมือเบาๆให้รู้สึกเบาๆสบายๆอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับทําเล่นๆสนุกๆทาเพื่อจะทำเ <c> ห <oughs> ็นไหมสังเกตดูความรู้สึกตัวที่นิ้วมือสัมผัสกันเบาๆทําความรู้สึกตัวที่นิ้วมือสัมผัสกันขณะที่เรามีสติ ละลึกรู้อยู่ที่นิ้วกาลังสัมผัสกันเนี่ยเรามีสติแล้วมีปัจจุบันแล้วมีการภาวนาแล้วมีความรู้สึกตัวแล้วไม่ประมาทแล้วด้วยสังเกตดูเมื่อสติรู้ว่านิ้วสัมผัสกันเนี่ยจิตเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไหนกายก็เป็นปกติ วาจาก็เป็นปกติกายไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ไปไประพฤติในการมไม่ได้ดื่มสุราเห็นไมกายบริสุทธิ์และเป็นปกติแล้ววาจาก็ไม่ได้พูดอะไรทุกคนนั่งเงียบรู้สึกตัวอยู่กับ น, นิ้วสัมผัสกันวาจาก็ปกติ กายก็ปกติวาจาก็ปกติปกติแปลว่าศีล น, นะหมายถึงศีล น, นะศีลคือความเป็นปกติเรามีความปกติกายวาจาแล้วตอนนี้เห็นไหมเนี่ยและจะไม่เป็นกุศลได้อย่างไรล่ะและเป็นปัจจุบันไม่มีความคิดอะไรฟุ้งซ่านมีแต่ความรู้สึกตัวที่นิ้วสัมผัสกัน เป็นการภาวนาด้วยภาวนาคือการทำจิตให้มันจเจริญถ้าเรามีสติรู้ตัวต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยสติรู้ตัวอย่างเงี้ยไปนานๆเนี่ยจิตจะมีกำลังจะมีการตื่นรู้มันก็เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญา รู้เท่าทันความคิดที่มันเกิดขึ้นในตัวเรามันเห็นความคิดในตัวเราได้จิตมันเริ่มเป็นปกติแล้วตั้งมั่นมีสมาธิสติทำให้เกิดสมาธิตั้งมัน่นแล้วก็จะเกิดปัญญามันจะเห็นความคิดเห็นกิเลสในจิตในใจเราสิ่งที่มีปัญหาในชีวิตของเราก็คือความคิดใช่ไหม ความคิดเป็นต้นเรื่องของชีวิตที่จะพาเราไปสุขไปทุกข์ก็ได้ที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะความคิดถูกต้องไหมเพราะเราไม่เห็นความคิดไม่รู้ทันความคิดความคิดมันพาเอากิเลสราคะโทสะโมหะราสู่ใจเรา ความโลภความโกรธความหลงอิจฉาลิษยาหาดระแวงตนีน้อยเนื้อต่ำใจก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละความเป็นตัวตนก็เกิดจากความคิดเวรกรรมต่างๆเจ้ากรรมในเวรก็คือความคิดทั้งหมดแหละภพชาติต่างๆก็มาจากความคิดนี่มันเป็นทางที่ไหลเทมาจากความทุกข์ทั้งนั้นะคือความคิด ที่มันมาปรุงแต่งจิตเพราะเราไม่เห็นความคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดเมื่อไม่เห็นความคิดก็เข้าอยู่ในความคิดเลยปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยชีวิตทั้งหมดอยู่ในความคิดเราเป็นผู้ผู้คิดความคิดเป็นเรามั้ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยพอคิดหนาักเข้าเนี่ยคิดข้ามวันข้ามคืนเนี่ย ทำให้จิตเราเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายนอนไม่หลับก็คือความทุกข์ถ้าเรามีสติไม่ีสติเห็นความคิดเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดจะหยุดทํางานทันทีความคิดเกิดไม่ได้เมื่อสติเกิดเห็นไหมความคิดเหมือนความมืดสติเหมือนความสว่างความคิดก็เหมือนบาปอาคุณสนที่มันปรุงแต่งแต่สติ ก็คือตัวปัญญาพอเกิดความคิดสติรู้ทันความพิดก็จะหยุดทำงานเมื่อความคิดหยุดเจ้าราคะโทสะโมหะเกลียทั้งหลายความมีตัวตนบาปอากุศลทั้งหลายก็หยุดลงไปด้วยเพราะความคิดมันหยุดไม่มีเครื่องอยู่ เมื่อความคิดไม่ทํางานหยุดทําหน้าที่จิตมันก็เป็นปกติเป็นอิสระอิสระเพราะว่าไม่มีบาปอคุศณที่เป็นกิเลสเข้าปรุงแต่งจิตอิสระมันก็ผ่อนคลายมันก็เกิดอาการที่ว่าผองใสสดใสเบิกบานสงบสุขภาพจิตดี คนที่เจริญสติอย่างต่อนเนื่องที่นี่ก็มีนะผู้ที่เจริญสติบ่อยๆมีนักปฏิบัติมากมายเจริญสติต่อนเนื่องไปนานๆเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นสภาวะจิตที่เป็นเช่นนี้คือว่างจากการคิดปรุงแต่งจิตมีความเบาผ่อนคลายมันก็เป็นสุขสุขภาพจิตดี ใจมันดีตอนี้เมื่อใจดีแล้วเนี่ยจะคิดจะอ่านอะไรเนี่ยมันก็ดีเพราะคิดไปจากจิตที่ปกติที่ว่างเปล่าที่มีสติมีปัญญาก็จะคิดดีตามมาคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นระเบียบถึงเวลาหยุดคิดก็หยุดได้ไม่ต้องไปนอนไม่หลับเพราะความคิดตัวเอง คือคิดด้วยสติมันต่างกันคิดด้วยสติกับคิดด้วยไม่ตั้งใจคิดเนี่ยที่มันปรุงแต่งเข้ามาเนี่ยมันต่างกันความคิดปรุงแต่งนี่มันขยันคิดมากเลิกยากแต่คิดด้วยสติเนี่ยมันจบได้ง่ายจบเป็นเรื่องเป็นราวสติดีใจมันก็ดีใจดีเนี่ย ต่างกับดีใจนะสองอันได้เหมือนกันนะเหมือนกันไหมใจดีเนี่ยใจเป็นป ก, กติผ่องใสเบิกบานไม่กวนกวยแต่ถ้าดีใจเนี่ยเป็นไงดีใจเนี่ยประกรอบด้วยจิตที่เป็นโลภนะเป็นความโลภฟู ฟ, ฟูแฟบแฝบเน็ตเหนื่อยไม่ป ก, กตินะ ดีใจทั้งวันเนี่ยเหนื่อยไหมน่ะมีสิทธิ์ไปสวนปรุงได้นะดีใจทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยหัวเราะทั้งวันเนี่ยดีไหมอ่ะแบบก็เลยบวกทั้งวันนั่นแะคือบวกชีวิตมันบวกเกินไปนั่ละแล้วถ้าเศร้าหมองทั้งวันน่ะก็มีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้ซึมเศร้านะ เป็นลบเนะี่ยดีใจมันก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ปกติปกติคือจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งมีแต่วความรู้สึกตัวตื่นอยู่จิตที่ปกติเป็นความเดียวกันนี้เป็นความหมายเดียวกันนิพานที่ทำมาจิตที่ปกติเพราะนั้น ถ้าใจจะดีได้นั้นต้องสติดีสติดีทำให้ใจดีแล้วถ้าใจดีแล้วเนี่ยคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีคบเพื่อนก็ดีแม้เพื่อนไม่ดีแต่ใจมันก็ดีไปสู่สถานที่ใดมันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าใจดีนะมองอะไรแล้วก็ดีหมดใจดีอย่างเดียวทุกอย่างดีหมด นะเนี่ยเริ่มต้นจากต้องมีสติดีนะห้าดีนี่ต้องมีสติดีนะใจมันจะดีห้าดีจริงจะครบทีนี้มาดูคนที่ใจไม่ดีบ้างอะ่ะคนที่ใจไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาใจไม่ดีเพราะสติไม่ดีใจไม่ดีสมมติจะซึมเศร้าคิดแต่เรื่องอดีต ขณะที่ใจเราไม่ดีเนี่ยเราจะเปลี่ยนจิตให้มันดีตอนนั้นได้ไหมถ้าเราขาดสติมันไม่มีช่องว่างที่จะให้สติเกิดแล้วเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าชอบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอดีตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปหมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง และออกจากอารมณ์นี้ไม่ได้อยากจะออกก็ออกไม่ได้เราก็รู้ว่าเราทุกจะทำไงที่ใจไม่มันทุกข์อ่ะมันออกไม่ได้เพราะว่าขาดสติที่เป็นช่องว่างของจิตที่จะเปลี่ยนจากจิตที่ไม่ดีเป็นจิตดีขาดสติเป็นช่องว่าสติเกิดไม่ได้เห็นไ่มคนเราสัญญาว่ามีคนที่ผิดหวัง เรื่องราวทาให้เราผิดหวังเนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอารมณ์ผิดหวังขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็จะโฟกัสอยู่ตรงที่ผิดหวังอะ่ะเราไม่น่าเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยมาทำอย่างนี้กับเราได้เราก็หวังชีวิตเราก็มาดีแล้วนะเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยมันหมกบุ่นอยู่แต่เรื่องอดีตอย่างนี้แหล ะ, นะคนที่มีความป่วยไข้าทางกายหรือมีความพิการเนี่ย ก็จะมองไอ้ส่วนที่มันเหลือที่มันเสียไปนะ่ะส่วนเหลือไม่ยอมมองส่วนไหนที่มันบกพร่องไปก็มองตรงนั้นนะ <c oughs> เป็นสิวเม็ดเดียวนองแม่ไม่น่าสิวเราอยู่ที่หน้าเราอยู่ที่หน้าคนอื่นจะไม่ว่าเลยอยู่หน้าเราซะด้วยโอ้มองไปสิวเม็ดเดียวซึ่งไม่มีใครสนใจกับเราเลยนะแต่เราสนใจแตสิวเม็ดนั้นนะทั้งที่ร่างกายใบหน้าทั้งใบหน้าเนี่ยมันขาวผ่องหน้ามองแต่เราเองมองในสิวที่มันเป็น ปัญหากับเราซึ่งคนอื่นไม่สนใจเลยเรียกหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันออกไม่ได้เอเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าขาดสติถ้าเกิดสติขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดที่หมกมุ่นนั้นออกมาจากอารมณ์ได้อาจจะคิดว่าเออแค่สีมิดเดี่ยวไม่เป็นไรหรอกบางคนนี่ขาดร่วนก็ยังไม่ทุกข์เลย บางคนเดินไม่ได้ก็นั่งยิ้มได้เนอะแค่เราสีเม็ดเดียวเป็นเรื่องสิวๆเนี่ยเขาเรื่องใหญ่กับเราซ้ำไปเขาถึง เ, เรื่องมากกับเราเป็นทุกข์มากกับเราเขายังไม่ทุกข์เท่าเราเห็นไหมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ต้องมีสติก่อนนะถ้าไม่เกิดสติเนี่ยสติไม่เกิดเนี่ยวิธีคิดมันไม่เปลี่ยนขณะที่เรามีความโกรธเนี่ยเราเกิดเมตตาได้ไหมมันไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติเนี่ยเมตตาจะไม่เกิดนะ สติต้องไม้ทันอารมณ์แบบนั้นที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เช่นสมมุติว่าเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีจิตใจซ่อหมองผิดหวังถ้าเรามีสติเกิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เออเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันให้ดีได้ เห็นไหมมันเริ่มวิธีวิธีการคิดนะถ้ามีสติเกิดวิธีคิดจะเกิดขึ้นอนดีตจะเป็นเนี่มาอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันที่มีชีวิตใหม่ยังมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าเพื่อความสำเร็จในอนาคตเห็นไหมแค่มีสติมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่จากร้ายกลับกลายเป็นดีได้ใจจะดีได้นั้นสติมันจะต้องดีก่อนใช่เวลาเราใจไม่ดีเนี่ย เวลาพูดเนี่ยมันก็ไม่ดีนะใช่เวลาเราโกรธขึ้นมางุ่ยขึ้นมาเนี่ยเวลาพูดก็จะไม่ดีเห็น ไ, ไหมคําพูดต่างๆที่ต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ยนะ ม, มันจะมีแต่ปัญหาเพราะใจมันไม่ดีคนบางคนเนี่ยเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาใจไม่ดีแหละเป็นความโกรธใจไม่ดีคําพูดออกมาเนี่ยบางทีพูดออกไปแล้วเนี่ยดึก อาการอาการที่ขาดสติบางทีเสีย ใ, ใจไปตลอดชีวิตเลยเพราะคำพูดเพียงคำเดียวทช่เวลาเราโกรธเราลืมไม่มีสติเราจะต้องไปด่าไปต่อว่ารับแล้วต้องรีบว่ารีบด่าเลยนะเดี๋ยวมันจะหายโกรธก่อนต้องรีบไปก่อนและพอด่าพอว่าไปแล้วเนี่ยมาเสียใจเราไม่น่าเลย สติเกิดที่หลังเราไม่น่าเลยมันสายไปเสีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทําอะไรไปอยู่เฉยๆก่อนคือบอกมีให้นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยเป็นอุบายเอาเวลาโกรธอย่าเพิ่งไปพูดพาพูดแล้วมันจะเสียหายอแล้วมาแก้ไขที่หลังมันแก้ตัวยากเลยมีญาติธรรมคนหนึ่ง เมื่อไม่นานเนี่ยเขาเสียใจมากกับคำพูดเพียงคำเดียวกับคนที่คอรลักเป็นผู้หญิงเขาเพียงแค่สงสัยว่าแฟนจะไปมีกิกมีกักที่ไหนก็ไม่รู้สงสัยนะไม่พูดต่อว่าเขาแล้วขับไล่เขาแฟนเลยไปเลย แล้วไม่กลับมาอีกเลยมันนึกเสียใจมาคุยว่าเขาจะทำยังไงดีจึงจะลืมแฟนคนนี้ได้เพราะว่าเราไปพูดไม่ดีกับเขาอยากจะไปขอโทษเขาแต่ก็หาตัวเขาไม่เจออยากจะขอโทษไอ้คาพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยเขาเสียใจมากแต่เขาก็คิดอยู่เรื่อยว่าเขาทำผิดทั้งคิดถึงทั้งอยากจะไปขอโทษ แต่เขาไม่เจอแต่เขาคิดอยู่เรื่อยก็บอกว่าก็เลยอยากใช้เขาเนี่ยมีเครื่องอยู่สังจิตใจนะจะได้ไม่ไปไม่ไปคลุ้นคิดถึงเรื่องอดีตแบบนั้นก็าถามว่าแล้วคุณทํางานอะไรอะ่ะเขามีอาชีพเล่นหุ้น <c oughs> เขาเล่นหุ้นเราก็เออจะให้เขามีหุ้นหนึ่งเครื่องอยู่มันก็ลาบากเนาะมันจะยุ่งกันใหญ่ ไอ้ผมเองก็ไม่รู้นะเล่นหุ้นเล่นยังไงนะก็ให้เขาเล่าให้ฟังเขาก็เล่าว่าเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยเขาก็รุ้นและเขามีความสุขมากเลยแต่เวลาหุ้นตกเนี่ยเขาหงอยอแล้วก็ไม่ลืมนะพยายามดูแต่หุ้นที่มันตกอะ่ะเหมือนแฟนที่เขาเสียไปเสียไปแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าวิธีการแก้ไขเขาคืออะไรไหม เขาก็ซื้อหุ้นตัวใหม่ซื้อหุ้นตัวใหม่แล้วก็มาลุ้นในหุ้นตัวใหม่เนี่ยซึ่งมันตัวเลขดีกว่าเพราบอกงั้นนะผมก็ฟังพยายามจะเข้าใจว่าเขาเลือหุ้นเล่นแบบนี้เองแต่ขณะที่มีหุ้นตัวใหม่ไปลุ้นเนี่ยแต่ก็อดที่จะบรรเลา ด, ดูไอ้หุ้นตัวเก่าที่มันเลขมันตกไม่ได้พอสุดท้ายหุ้นตัวใหม่มันดีเขาก็จะเขาก็ลืมหุ้นตัวเก่าไปได้แล้วก็บอกเออ งั้นก็ดีสิแฟนคุณคุณลืมขอไม่ได้ก็ไม่ยากแล้วรู้นะว่าคิดอะไรไม่ได้บอกว่าหาแฟนคนใหม่ว่าบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรคุณก็มีแฟนใหม่อีกสักอีกสักคนหนึ่งแต่แฟนคนนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะเอาสติเป็นแฟนเลย สมรสกับสติสมรสกับความรู้สึกตัวเลยนั่นแหะคู่ชีวิตแหละคู่รักคู่รสไม่ใช่คอฟฟี่เมดคู่รักคู่ชีวิตก็คือตัวสติสมัมมาจัญญาคุณลองสมรสกับคุณ น, นี้สิก็บอกวิธีการเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะต้องบอ่อยเขาทําให้เขาทำความรู้สึกตัว ให้เขาฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี่แหละอารมณหายใจกันน่ะหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกการเคลื่อนไหวกายไปไห น, นให้มีความรู้สึกตัวขยับกายใจรู้ทันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น <c ười> กายทำอะไรใจรู้ด้วย <c ười> เมื่อใจคิดอะไรสติก็รู้ตามรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเอาตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ทุกครั้งที่จิตมันคิดถึงแฟน ให้รู้สึกแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปทุกครั้งที่จิตมันคิดถึงแฟนให้รู้สึกแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปมา้ความสำคัญกับสติให้มากๆกว่าความคิดที่มันปรุงแต่งให้เขามีสติเป็นเครื่องอยู่กับอีเลียบทตต่างๆในชีวิตประจวันเวลามันเกิดความคิดถึงแฟนก็รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าไปสนใจรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วกลับมาสนใจกับหน้าที่ที่เรากะทา ให้มีปัจจุบันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอีกไม่ช้าคุณก็จะลืมแฟนคุณเหมือนคุณลืมหุ้นนั่นแหละจะทิ้งแฟนเหมือนทิ้งหุ้นได้ให้เข้าไปฝึกดูนะคิดว่าเขาคงทำได้เพราะยิ่งนานบานเข้าเนี่ยการเวลานรักษาแผลใจได้ คนที่มีแผลจิตแผลใจลึกไหนก็ตามไม่สำคัญหรอกการเวลามารักษาแผลใจได้ของผมเนี่ยพิการมาสามสิบสองปีปีแรกปีสองร้อยีิบสองทำใจไม่ได้เดนี่สาสิบสองปีเนี่ยลืมไปแล้วว่าเราเป็นอะไรมันก็เกิดเป็นชีวิตใหม่แล้วมันลืมไปแล้วลืมด้วยการเวลาทุกขเวทนาต่างๆ เมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่ต้องอดทนอดกลั้นแต่ต่อมาเนี่ยมันไม่เป็นการอดทนแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราซะแล้วมองความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราจะต้องผ่านแล้วต่อไปไม่ต้องผ่านก็อยู่ด้วยกันแบบน้ํากับน้ามันนะเวทนาไม่หนีใจเราก็มีนีกกับเวทนาแต่ว่ามันอยู่คนละอันกันสติเป็นธรรมโอสถที่คลุ้มครองใจ ไม่ให้ไหลไปกับอาการของกายที่พิการหรือไม่ให้ไหลไปกับเวทนาที่เกิดกับกายแล้วก็ไม่ให้ไปหมกมุ่นกับความคิดอิสระจากอารมณ์ต่างๆเนี่คู่ชีวิตตอนแรกมีความทุกข์ก็สายความอดทนอดกลั้นต่อไปความอดทนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นการทนอะไรเลยเป็นธรรมดาของชีวิตเรา มันเคยชินไปเองอดทนแล้วรู้จักยอมรับในสิ่งที่มีที่เป็นเรารู้จักยอมรับโอ้ไปเรื่องธรรมดาเนาะแต่ความพิการเนี่ยคนอื่นก็พิการไม่ใช่เป็นที่เราคนเดียวหรอกมือนใหม่หมก็คิดว่าทําไมต้องเป็นเราต่อไปคิดว่าทําไมถึงเป็นเราไปไม่ได้ในเมื่อกนอื่นก็เป็นมากกับเรารซ้ําไปเออห็นไ่มทําไมถึงเป็นเราไม่ได้ในเมื่อคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเรา หรือบางคนแยกเราซ้ําไปไอคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราเนี่ยมันเลยเลิกไปเลยทำไมจึงเป็นเราไปไม่ได้ทีนี้พวกเราเวลานอนไม่หลับเนี่ ย, เ, ยเวลาอยากจะให้มันหลับเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทำไมเราต้องต้องหลับด้วยเราไม่หลับบ้านไม่ได้หรือรับรองหลับสบายเลยนะคิดไปตรงข้ามเลยถึงขาวป่วยทาไมาต้องป่วยก็เปลี่ยนใหม่ทำไมเราจึงป่วยไม่ได้ ก็คือคนอคืนเขาป่วยกันทั่วไปไปดูที่โรงพยาบาลสวนดอกที่เต็มไปหมดเลยถึงกล่าวตายทำไมเราต้องตายก็เปลี่ยนใหม่ทำไมเราจึงตายไม่ได้แล้วเมื่อความตายปเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อปรรยาอย่างมงรณะภาพเลยมันต้องคิดแบบนั้นบางเดี๋แล้วใจมันจะสบายนะลองดูสิผมใช้วิธีการอดทนยอมรับเมื่อยอมรับได้จิตมันก็ผ่อนคลายเป็นปกติ แต่นี้มันก็จะมีวิธีคิดที่แยบขายวิธีคิดแยบขายคือคิดอย่างถูกต้องคิดแล้วเกิดกำลังใจคิดแล้วออกจากปัญหาได้คิดแล้วเกิดวิธีการปฏิบัติที่จะพาใจไม่ให้ไปหมกบุนกับความทุกข์คือคิดที่แยกขายเห็น ไ, ไหมมันมาจากการอดทนยอมรับนี่ใจมันดีทั้งนั้นอ่ะยอมรับแล้วใจก็ดี พอมีความคิดคิดแยบคลายก็ยิ่งดีใหญ่เลยนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ใจดีเพราะสติดีนี่ห้าดียังมีพร้อมเลยการกระทำก็จะพลอยดีไปด้วยแล้วก็การคบมิตรเนี่ยมันไม่ยากแล้ว เมื่อใจดีเนี่ยมันก็จะคบแต่บัณฑิตไม่คบคนพานคนพานคือมีสองพานคือพานภายนอกกับพานภายในพานภายนอกคือคนที่เป็นปกติที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วคือพานภายนอกเนี่ยเมื่อไม่นานเคยไปที่อะไรอําเภอพานจังหวัดอะไรอำเภอพานเนี่ยจชียงลายอ่ะ มามีอยู่ล้านล้านเขียนว่าล้านอะไรครัวคนพานโอ้โหเราก็ไม่กล้าเข้าอ่ะนะร้านอาหารครัวคนพานอไม่ใช่พาระนะพานอพานครัวคนพานเราก็ไม่ค่าเข้าอนะ่ะนั่นพานภายนอกคือคิดชั่วทําชั่วผู้ชั่วแต่พานภายในนะื่ย้ายร้ายกว่านั้นอีกนะร้ายกว่านั้นอีกนะ พานภายในคือคืออะไรก็คือกนะิเลสอะโลภะโทสะโมหะไอพานภายนอกเนี่พอหลีกหนีได้นะแต่พานภายในหนีไม่ได้เลยนะเราไปไหนมันไปด้วยเราไม่ครบคนที่จิตใจดีแล้วจะครบบัณฑิตบัณฑิตก็มีสองอย่างบัณฑิตภายนอกกับบัณฑิตภายในบัณฑิตภายนอกก็คือบุคคลที่มีปกติคิดดีพูดดีทำดี บัณฑิตภายในก็คือการมีสติการมีสติอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอมีสติทุกเมื่อตื่นตัวอยู่เสมอรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้เอาตัวรอดได้นั่นคือบัณฑิตภายในคือความรู้สึกตัวคือการมีสตินั่นเอง ถ้าเราหาเพื่อนหาเพื่อนดีไม่ได้หาบัณฑิตไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราก็ฝึกจิตใจเราให้มันดีให้เป็นบัณฑิตสิแล้วก็เอาใจเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราซะไม่ง้อข้างนอกเอาใจเป็นเพื่อนเราซะด้วยการฝึกจิตฝึกใจเราให้มันดีให้เป็นบัณฑิตถ้าใจดีแล้วเนี่ยไปสู่สถานที่ใดก็ดีดีทั้งนั้นแหละ อยเนี้ยอย่างที่วัดอุโมงเนี่ยอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยเพราะใจเราดีนะจึงมาที่วัดอุโมงได้วัดอุโมงในพระที่ดีนะเนี่ยมีพระคุณเจ้ามีครูบาอาจารย์มีญาติธรรมบรรยากาศก็ดีด้วยถึงร้อนแต่ร้อนข้างนอกใจเราก็ไม่ร้อนเห็นไหมอย่างวันเนี้ยดีมากทีเดียวล่ะเนี่ยเป็นเวลาเป็นเบเป็นสถานที่ที่ดีมากที่หน้ามา พอมีการฟังธรรมได้พบกับบัณฑิตมีซีดีแจกมีหนังสือแจกเดี๋ยวตอนเที่ยงมีอาหารแจกด้วยยิ่งตอนบ่ายมีไฮไลท์อีกโอมีหลวงพ่อประโมทมาเทศมาหาบัณฑิตใช่ไหมโอ้ใครไม่มา เ, เสียใจแย่เลยก็ยังนึกว่าเออเสียดายแม้แต่คนเป็นเป็นบางคนก็ยังไม่ได้มาฟัง เ, ออเนี่ยเรามาดีแล้ว สติเป็นตลาดนัดแห่งความดีทั้งหลายสติเป็นสุรุ่วมุร่าคุณธรรมทั้งปวงคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันคนเก่งคนดีนั้นยังไม่พอนะเไสมัยก่อนนู้นินัยนทำให้ยกย่องคนเก่งแต่คนเก่งยังไม่ดีเก่งแล้วโกงก็มีต่อมาอายกย่องคนเก่ง และต้องเป็นคนดีด้วยเก่งแล้วดีนี่พอไหมเก่งแล้วดีก็ยังไม่พอนะเพราะเก่งแล้วดียังติดดีอยู่อะติดตัวตนที่ดีทำดีแล้วมันต้องได้ดีต้องมีคนชมว่าเราดีต้องได้เงินดีได้ลาบดีได้ยศ ด, ดีต้องเป็นตัวตนที่ดีแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมานะ ใจก็เป็นทุกข์เพราะยังติดดีอยู่ติดตัวตนที่ดีอยู่มันต้องไปหเหนือดีเก่งแล้วดียังไม่พอจะ ต, ต้องมีสติปัญญาดีด้วยจะได้ไปอยู่เหนือดีนะจะได้ไม่ทุกข์ใช่ อ, อย่างเช่นคุณครูเนี่ยสมมตินะคุณครูเนี่ยลำพังครูเนี่ยแค่ความรู้ดีความสามารถดีสอนดี ยังไม่พอนะเพราะยังมีชื่อว่าครูดีอยู่ครูที่ดีเป็นทุกข์มากกว่ามีเพราะเราจึงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนดีเราเป็นครูจริงๆใครแล่ะ ว, ว่าครูไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเราเป็นครูเนี่ยต้องว่าครูดีติดดีครูติดดีเนี่ยสอนเด็กให้ดีไม่ได้ครูก็เป็นทุกข์ละครูที่ติดดี ถ้าสอนแล้วไม่มีใครชมก็ไปทุกว่าครูไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้สีขั้นโบนัสสวัสดิการครูก็ไม่ยอม <c oughs> ครูดีมันต้องได้ของดีๆใช่ไหมเพราะติดความเป็นครูดีติดดีก็จะเป็นทุกลำพังแค่ดีอย่างเดียวไม่พอนะมีความรู้ดีคุยความสามารถดีสอนดีจะต้องมีกรรมฐานดีด้วย <c oughs> กรรมฐานการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ต้องมีสติปัญญาดีด้วยมันถึงจะอยู่เหนือดีแล้วก็พ้นทุกข์ได้อย่างเช่นหลวงพ่อปัญญารันทะนี่ท่านอายุต้องเก้าสิบกว่าแนละ้วท่านยังเทศเป็นลำดับลาดับไม่หลงไม่ลืม เพราะท่านมีสติดีใช่ไหม น, นั้นการมีสติดีเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้เพราะนั้นพวกเราอย่ารอช้าเมื่อเราต้องการจะเป็นคนที่ดีและไม่มีความทุกข์ด้วยเนี่ยจะต้องมีสติดีสตินำพาปัญญามาแก้ปัญหาชีวิตได้ทันท่วงที ต้องดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เสมอเสมอสติมีอยู่แล้วในคนทุกคนเราจึงพัฒนาสติได้ง่ายมากคนที่ดําเนินชีวิตด้วยการมีสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยชีวิตจะมีแต่ความผาสุขนกจิตใจจะไม่รู้เล่าร้อนวุ่นวายใจไมัจะไม่รุนร้อนรุ่มร้อนต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในสิ่งที่เป็นที่เป็นแมดล้อมที่มีแต่ความวุ่นวายแต่ใจก็จะเป็นปกติสงบอยู่ได้เพราะมีสติเป็นเครื่องมือรักษาใจให้ไม่ทุกข์ใครฝึกเจรติตอยู่ตรงเนืองจนจิตใจนี่ผ่อนคลายได้หรือความทุกข์ลดน้อยลงไปได้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำอย่างวันเนี้ยพวกเราก็มาร่วมในงาน อาจริย์บูชาในวาระหนึ่งร้อยปีชาตการหลวงพ่อปัญญาอนุทภิคุเราเรียกท่านว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใช่ไหมท่านเป็นหลวงพ่อและเราธนนะเป็นอะไรเป็นลูกไม่ใช่หลวงลูกหลวงพ่อกับหลวงลูกท่านเป็นพ่อเราต้องเป็นลูก ลูกที่ดีในภาษาธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นพุทธบุตรเนี่ยลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามลูกที่ดีต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือลูกของพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นลูกคนหนึ่งของหลวงพ่อปัญญาเราควรจะนําเอาห้าดีนี่แหละเนี่ยการคิดดีพูดดีทําดี คบเพื่อนดีไปสู่สถานที่ดีนั้นมาปฏิบัติขึ้นให้ตัวเราดีตรงนี้นำห้าดีนี้ให้มีในตนคือในตัวเราแล้วก็รู้จักที่จะพัฒนาห้าดีนี้ให้สูงขึ้นไปด้วยการเจริสติเพื่อให้เกิดปัญญายกระดับจิตใจให้อยู่เหนือดีให้ได้ จึงได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของหลวงพ่อปัญญาอย่างแท้จริงก็ให้ผมมาพูดเรื่องห้าดีนี้มีในตนเนี่ยเป็นปาตักตาธรรมเรื่องห้าดีนี้มีในตนก็คงเห็นว่าจะสมคนเวลามั้งสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ย จงมีความคิดดีพูดดีทำดีคบเพื่อนดีสู่สารที่ดีและก็มีจิตใจที่มีสติมีปัญญาดีอยู่เหนือสุขเหนือทุกขในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ